วันนี้เป็นวันประชุมของพวกเราแต่ตามให้จริงผมเองก็ไม่ได้คิดตั้งต้นหรือว่าตั้งแนวความคิดว่าจะมีการประชมุมแต่เห็นว่าพระลูกพาหลานมาใหม่จากวัดบวรเข้ามาหลายรูปเข้ามากับเพื่ออยากจะเห็นอยากจะฟังเพื่อการศึกษา ว่าพระปฏิบัติภระกรรมฐานอยู่ในป่าเนี่ยท่านปฏิบัติตนอย่างไรพวกเราก็อยากจะเรียนรู้ทุกอย่างเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็คงจะถึงจะไปเป็นคราวาสก็จะได้นำธรรมะที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้นำไปประพฤติปฏิบัติทังทางโลก เราก็สะสะแสวงหาทรัพย์แต่ทางในใจเราก็เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจคือไม่ให้ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างทางกายทั้งใจร่างกายเราก็สะสะแสวงหาปัจจัยสี่มีข้าวน้ำโภชนอะาหารผ่านหุ่งหม่มยาแก่โรคภยัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัย อันนี้เราต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องเป็นเครื่องยังชีพถ้าว่าเราขาดตกบกพร่องในปัจจัยสี่การเป็นอยู่ของเราก็คอนแคลนหาความสุขสบายไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าปัจจัยสี่ขาดตกบกพร่อง แต่ถึงเราจะส่สแสวงหาปัจจัยสี่สมมูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนไม่มีขาดตกปกพ้องในปัจจัยสีแต่เราขาดคุณธรรมในจิตใจใจของเราไม่มีหลักยึดใจของเราว้าเวอ้างว้างเงียบเงาไม่รู้ว่าสาะแสวงหาทรัพย์มาบริบูรณ์แล้วและเพื่ออะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปู่ย่าตายายที่เราเห็นเห็นต่างคนก็ต่างทอดทิ้งไปหมดไม่เห็นผู้ใดใครจะเอาไปด้วยได้แต่เราจะสะสแสวงไปเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็เคว้งคว้างในจิตใจเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนว่า จุดจบของเรานั้นที่สิ้นสุดของชีวิตนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเราต้องศึกษาการสาะแสวงหาทรัพย์ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญแล้วก็การหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจคือธรรมะนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเหมือนกันไม่แพ้กันอาหารกายอาหารใจเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนา ที่พวกเราเข้ามาศึกษานี่คือมาศึกษาเรื่องอาหารทางด้านจิตใจเรื่องอาหารของนามธรรม ถ, ถ้านามธรรมคือจิตใจของเราไม่มีหลักยึดจิตใจของเราปล่อยแต่ละวีแต่ละวันปล่อยไปตามอัธยาใจปล่อยไปตามที่ใจจะนึกคิดปล่อยไปตาม เรื่องราวที่ใจอยากจะคิดอยากจะทำแต่ใจนั้นมันไม่ใช่อยากจะทำไปในทางสูงมันจะไหลไปทางต่ำทางต่ำคืออะไรในหลักของพระพุทธศาสนาว่าทางต่ำก็คือกิเลสไปทางราคะความกำหนัดยินดีความรักความใข่โทสะทาไม่ได้ดั่งใจ ก็เกิดอารมณ์โมโหโทโศโกโรธาแล้วก็โลภเห็นอะไรเข้ามาโลภไปหมดอยากจะได้ฮะมาเป็นของตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดอยากอยากอยา ก, อ ย, ากอยู่ตลอดไปลําเวลาแล้วก็หลงว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่คิดว่าตัวเองจะถึงจุดจบก็บเพียงฉบัดเดียว แต่ในใจนั้นคิดว่าตัวเองจะอยู่จะไม่มีจุดจบไม่มีวันจบไม่มีวันตายพูดง่ายๆไม่คิดว่าตัวเองจะตายนี่แหละอันนี้คือใจของเรามันหลงมันไหลไปทางต่าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายสมบัติในโลกนี้คิดว่าจะเอามาให้เป็นของตัวเองหมดแล้วก็ไม่ถูกใจไม่ได้อย่างใจ โมโหโตโกทาทุกคนต้องให้ได้อย่างใจเราแล้วก็รักชอบไปในทางกิเลสนี่แหละใจของเราถ้าว่าเราไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้นำทรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานำทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะไหลไปในทางลักษณะอย่างนั้นแต่นีนเมื่อไหลเข้าไปมากๆ ม, มันไม่ใช่จะมีความสุขเนมัน พ, พอกพูนความทุกข์เข้าสู่จิตใจของพวกเราเรื่อยๆมันจะหาความสุขไม่ได้ใจประเภทอย่างนั้นพวกเรารักคิดว่ามันจะมีความสุขใช่เ ม, เมื่อรัก แต่พัดพลากแห่งความรักเป็นยังไงเมื่อโกรธเรารู้ความโกรธนั่นคือมันร้อนเมื่อเราใช้ความโกรธให้แก่เขาเขาก็มีความโกรธให้แก่เราต่างคนก็ต่างโกรธและเป็นยังไงเมื่อเอาไฟไปสุมกันเขา้าโลภก็เหมือนกันถ้าโลภไม่เป็นที่เป็นทางโลภจากย่ ใ, ใต้ของเขา เขาก็ต่อต้านผลในสุดก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคิดว่าตัวเองจะมีความสุขเพลเพอเข้าไปแล้วแก่ก่อนวัยตายก่อนวัยอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะกิเลสพานำไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเรามีทมเป็นเครื่องประคับประคองทางด้าน จ, จิตใจ อาหารกายอาหารใจอาหารกายคือคือเราก็ทําให้ดีที่สุดขนขวายในการทำมาหาเลี้ยงชีพใช้หลักวิชาของเราที่ได้เรียนมาแล้วก็ประกอบสัมมาชีพไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพสัมมาชีพเมื่อเราประกอบสัมมาชีพไปในทางสุดจริต กับพร้อมกันกับเราก็ศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านให้คิดอย่างไรสำหรับพวกเราเป็นอยู่พระพุทธเจ้าให้คิดอย่างไรที่พระพุทธเจ้าพาคิดที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดพระพุทธเจ้าสอนให้คิดท่านว่าให้รู้ให้ดูตัวเองอย่าไปวิ่งตามไกไปฝ่ายไปทางต่า สำหรับครวาด์ญาติโยมท่านก็ให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะยึดคนดีไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านทำตนอย่างไรที่ให้เราศึกษาจากนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอย่างไร จากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านนำมาประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรอย่างศีลของพระสงฆ์อย่างนี้อันนี้ก็คือแนวทางที่ให้พวกเราได้ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจท่านสอนเอาไว้แต่สำหรับพราวาญาติโยมท่านก็สอนว่าให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาคนเราเป็นฆราวาสญาติโยม เมื่อเราส่อแสวงหาทรัพย์ได้โดยสุดจริตให้รู้จักแบ่งปันแบ่งปันคืออะไรแบ่งก็แบ่งให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาได้ที่ผู้อยู่ใกล้เราเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรในปัจจัยสี่ที่เขาขาดตกบกพร่อง เราพอที่จะช่วยเหลือเจือจานเขาได้เราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์คือให้ทานทานะคือการให้เหมื่อพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเมื่อเฒ่าแก่ท่านเฒ่าแกชา่ชราเราในฐานะลกูกเราก็ควรตอบแทนบุญคุณของท่านเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาอันนี้ก็คือฐานะคือเหมือนกันคือทานเหมือนกัน สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ท่านบูชาพระคุณของท่านอันนี้ก็จาเป็นสำหรับคนที่เกิดมาอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ถ้าว่าพวกเราทาถูกต้องในการเป็นอยู่พวกเราก็มีแต่ความสงบราบรื่นในชีวิตจากนั้นก็คำว่าทานคำนี้มันมีมากมายหลายอย่าง อภัยทานคือการให้อภัยอามิสทธธานคือการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์วิทยาทานก็คือการให้ความรู้แก่เขาที่เขาขาดตัว ป, ปกป้องที่เขาไม่รู้เราก็ให้วิทยาทานธรรมทานก็คือให้ธรรมอย่างหลวงพ่อให้ทำให้คําสอนของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อรู้กว่าเพราะหลวงพ่อบวชมานานได้ศึกษามานานพวกลูกหลานเข้ามาใหม่พวกลูกหลานไม่รู้หลวงพ่อก็จะสอนพยายามสอนทานเป็นอย่างนี้นะศีลเป็นอย่างนี้นะภาวนาเป็นอย่างนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อจะแนะนําสั่งสอนให้แก่พวกลูกหลานที่เข้ามาศึกษาใหม่อันนี้เรียว่าธรรมทานคือการแนะนําธรรมะ ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่คำว่าทานก็มีหลายอย่างศินก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยศินก็คือพวกเรารักษาอย่างคารวะญาติโยมก็คือศินห้าเป็นหลักพราะพระุทธเจ้าสอนให้ยึดสินห้าเป็นหลักถ้าคนเรามีศินห้า โรคทั้งโรค ก, ก็จะอยู่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อใจกันไม่วหวาดผวาเพราะเหตุใดเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสินไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีสินหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้จะให้ใครทำอะไรก็ไม่ไว้ใจกันเพราะเหตุใด ให้ทำอะไรก็กลัวจะตอดเล็กตอดน้อยกินเล็กกินน้อยคอรับชั่นเล็กคอรับชั่นน้อยอจนถึงใหญ่ผลที่สุดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้อันนี้คือผู้ไม่มีสินแต่ถ้าว่ามีสินห้าแล้วใครจะทำหน้าที่อะไรก็ความขาดตกบกพร่องนั้นมันก็ต้องมีเพราะความโง่ความฉลาดความรอบคอบ มันก็มีอยู่ทุกคู่ทุกคนทุกการสถานที่แต่ว่าเรื่องเจตนาที่จะคดโกงหรือขโมยด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตนั้นไม่มีเพราะว่าทุกคนเป็นผู้มีสินแต่ถ้าว่าไม่มีสินหาความไว้วางใจกันยากตรวจแล้วตรวจอีกเช็คแล้วเช็คอีกขนาดนั้นก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่ ออกไปได้เผลอๆล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะเอาโทษเอาเรื่องเอาเราก็ไม่มีที่สิ้นจุดผลนิสุกก็เอาเล็กๆน้อยๆโยนกันไปผู้ที่ทำก็เลยเป็นนิสัยไปถก็เลยทำอีกเห็นว่าไม่มีอะไรผลนิสุกก็เลยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือผู้ไม่มีศีลจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าคือสำมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลกายคื อ, คอการคือการกระทาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราอันนี้คือศีลสำหรับคารวาะแลวก็วาจาก็คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็คือสินหา้าที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้สำหรับกระวาดผู้มีภาระธุรกิจทุระมากเป็นผู้ ส, สแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเอาเพียงแค่นี้พอถ้ามีสินหา้าบริสุทธ์บริบูรณ์แล้วปิดอาวาญญาัยยะผู๋ไม่ตกนรก ถ้าผู้รักษาศีลห้าอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้จากนั้นท่านก็สอนถ้าสําหรับฝ่ายพระถิ่นฝ่ายสมัมมาเนนท่านให้รักษาศีลสิบแต่ฝ่ายครวัตคือศีลห้านะี่คือศีลพื้นฐานถ้าผู้ใดใครอยากจะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ท่านให้รักษาสินอุโบสถอันนี้เป็นเป็นสินขัดเกลากขัดเกลาจิตใจของเราให้รู้จักไม่ให้มกมุ่นในการเป็นอยู่ในการเรื่องชีพในการติดในความสุขของโลกถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็เถอะในโลกเนีเกิดมาแล้วจะปนปือขนาดไหนก็เถอะจะร้องรำทำเพลง เสียงไพเราะขนาดไหนก็เถอะจะนอนที่นอนอนุ่นที่นอนอ่อนนิ่มขนาดไหนก็เถอะจะเอาของหอมมาฉลมขนาดไหนก็เถอะแต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะนั้นอย่าไปหลงไหลกับการเป็นอยู่จนเกินไปอันนี้คือคือศินนอกจากศินห้าเท่นี้ ที่บัญญัติให้พวกฆราวาสคือรักษาสินแปดสินอุโบสถคือไม่ทานอาหารถึงจะเลี้ยงทานอาหารดิบดีขนาดไหนไม่ให้ขาดตกปกพ่องร่างกายนี่ก็ยังแก่เก็บตายในที่สุดเพราะนั้นให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้อย่าไปหลงจนเกินไปอันนี้คือพระพุทธยาวที่ท่านสอนสำหรับฆราวาส จากนั้นผู้ที่เขามาปวดถึงจะเป็นสัมมาเนนตัวเล็กพราะผูใ้ใดเจ้าก็ให้เสียสละห้ามไม่ให้จับเงินและทองหรือยินดีเงินและทองอันนี้ก็คือสินของสัมมาเนนคือสินสิบจากนั้นสินพระสงฆ์227อย่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาสินพระสิน227รี จัดเป็นหมวดหมวดจัดเป็นกลุ่มปาราชิกสี่สังฆาทิเศษส3สอนยศสองนิสกิยปาจิตตี30ปาจิตตี92บปฏิเทธนิยะสี่เซคยวัฏเ5ดารวมเป็น220ยนับอธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็น227ยสิเรียกว่านพระคือสิน2ยี่แลก็สินอภิสมาจารย์ ศีล น, นอกพระปฏิโมกอีกก็มีมากอันนี้ก็คือศีลของพระสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้อยู่ในกฎให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบศีล น, นี่ก็คือเป็นรั้วกั้นการอยู่ด้วยกันลหลายองค์แล้วก็รั้วกั้นความคึกขนองของตัวเองอีกต่างหาก มันมีหลายๆอย่างเรื่องศีลถ้าเราศึกษาดูในศีลของพระพุทธเจ้าแล้วท่านห้ามส่วนบุคคลก็มีห้ามเกี่ยวกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องก็มีทั้งสตรีทั้งบุรุษทั้งคนหลายระดับที่พระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์ห้ามมาไว้ในนั้นถ้าพวกเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าต้นตอของศีลของพระนั้นเป็นมาอย่างไร นี่แหละสรุปแล้วก็คือศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเบื้องต้นบอกเรื่องทานทานคือการเสียสละการอยู่ด้วยกันการจะอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นพักเป็นพวกเป็นประเทศเป็นโลกโลกทั้งโลกต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าไม่มีการสงเคราะห์กันแล้วหาความร่มเจ็นเป็นถุกไม่ได้นี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งคื อ, คอรักษากายวายจาอย่าไปทำในสิ่งที่มันจะกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นถ้าเราทำออกไปกระทบกระเทือนผู้อื่นเขาเสียความรู้สึกเขาเสียใจเสียหายเขาถ้าเขามาทำให้แก่เรา เราก็เสียความรู้สึกเสียหายหเราเหมือนกันเพราะเขามาทำให้เราเพื่อให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันใจเขาใจเราสิ น, นสรุปแล้วก็คือใจเขาใจเราถ้าเราไม่ต้องการในสิ่งนั้นเราก็ไม่ควรจะทำให้แกเขาให้ดูใจของตนเองเป็นหลักนี่แหละเรื่องศินแต่เรื่องสมาธิถึงเรื่องจิตใจนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายพระลูก พระหลานทั้งหลาย เ, าเรื่องทานพวกเรากคงจะพอรู้ได้แต่เรื่องศีลพวกเราพอจะรู้แนวทางว่ามีกฎหมายอยู่แล้วแต่เรื่องสมาธิเนี่ยพวกเราไม่มีไม่เคยคิดเรื่องนั่งสมาธิใจของเราตั้งแต่เกิดมาเราปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจเออละเหยลอยลมคิดไปเรื่อย แต่ว่าสัญชาตญาณของมนุษย์จะให้ไม่มีสติเสลยก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีสติมากเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผู้สมบูรณ์แบบอย่างที่พระพุทธองค์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามหาสติมหาปัญญาใครว่าสติปัญญาสติของเราไม่หลง ไม่เผลอปัญญาก็รอบรู้ในเรื่องต่างๆอันนั้นแปลว่าเป็นผู้สมบูรณ์แบบที่สุดนี่เรามาศึกษาเรื่องนี้อะไรจะดเรื่องสมาธิที่จะทําจิตใจของเราให้สงบให้เป็นหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้ความสนใจมาก ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ความสนใจอย่างมากมากกว่าอย่างอื่นให้ความสนใจเรื่องของใจเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านจึงถือว่าใจนเป็นเรื่องใหญ่ท่านจึงให้ความสําคัญวิธีการที่จะสอนใจ หรือว่าทําความเข้าใจหรืออเอาความรู้ความฉลาดเข้าสู่จิตใจหรืออาหารใจเราจะทำอย่างไงนี่อันนี้เราต้องศึกษาต้องค้นคว้าศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านไปศึกษาอย่างไรท่านจึงได้นำธรรมคําสอนเหล่านี้มาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา นี่แหละอันนี้พวกเราต้องค้นคว้าศึกษาทำแนวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินท่านพาดำเนินอย่างไรพวกเราก็ต้องพยายามดำเนินตามทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินเรื่องสมาธิเรื่องอย่างอื่นพระพุทธองค์ก็ได้ทำอย่างทานะอย่างนี้น เมื่อพระพุทธองค์เป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์พวงประชาทุกหมู่เหล่าในยุคสมัยนั้นเขาบอกพระพุทธองค์ให้ความเป็นธรรมทุกคนแบ่งปันราบยศสรรเสริญให้แก่พวงประชาพวงประชามีความสุขทั่วนหน้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นพระองค์ก็รักษากายวาจาของพระองค์ จะเป็นที่ยอมรับของคู่คนแต่ใจของพระองค์นั่นพระองค์ต้องเป็นผู้รักษาเองจะให้ใครรักษาใจของเราไม่ได้เหมือนกับพวกเราไปเรียนหนังสือใครจะเรียนหนังสือต่างเราไม่ได้ใครจะออกกำลังกายต่างเราไม่ได้ใครจะมาภาวนาให้รู้แจ้งเห็นจริงต่างเราไม่ได้เราต้องทำเองจุดนี้ เนี่ยเป็นจุดที่จาเป็นสำคัญท่าคนอื่นทำได้เราก็อยู่เฉยเฉยให้คนออกกำลังกายแทนเราอย่างนี้หรือเรียนหนังสือต่างเราอย่างนี้แทนเราอย่างนี้เขาเรียนเขาก็ได้เขานี้พระพุทธองค์ท่านก็อ้คนคว้าศึกษาจุดนี้ว่าจะทำยังไงเพราะนั้นพระองค์จึงได้ถึงจะรัก แสนรักถึงจะมีความสุขแสนความสุขอยู่ที่เวียงหวังพระองค์มองดูแล้วความสุขนี้อีกสักวันหนึ่งจะต้องล่มสลายแน่นอนเพรเหตุไรเพราะตัวอย่างเห็นมามากตอมากแล้วปู่ย่าตายายของพระองค์ไปไหนหมดถึงทั้งหมดไม่มีใครที่จะ เอาไปด้วยได้แม้แต่ท่านผู้เดียวแต่เราก็คงจะทิ้งเหมือนกับท่านเหล่านั้นปู่ย่าตายายเหล่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไรอันนี้แหละให้พระองค์หาทางออกจากนั้นพระองค์จะได้หาทางออกจึงมีทำคําสอนที่มาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะฉนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะทำคำสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องสมาธิสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลพวกเราก็ลักษาอยู่แล้วแต่เรื่องสมาธิเนี่ยต้องจริงจังต้องจริงจังพอสมควรไม่ใช่พอสมควรนะอย่างมากเพราะใจของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้่กี่ภพกี่ชาติปล่อยปละละเลย ไม่เคยที่จะทำมีรั้วกัน้นหรือว่าฝึกจับมาฝึกสมาธิให้แก่ใจของเราแต่บางพบบางชาติอาจจะมีะก็จะมีมีบ้างแต่ถึงยังไงถ้ามีถ้าจริงจังพวกเราก็คงจะพ้นทุกในวัฏสงสารไปไปแล้วแต่นี่พวกเรายังมาถึงจุดนี้ก็แสดงว่า เราคงจะทะเลถลายมาในพบก่อนชาติก่อนเหมือนกันมาถึงชาตินี้พวกเราจึงเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ยังถึงยังไงพวกเราก็นับว่าโชคดีฝ่ายดีที่ยังสนใจที่จะนำทำจิตใจของตนเองให้ฝึกสมาธิก็นับว่าโชคดียังให้ความสำคัญในการฝึกใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ทุกๆ ท, ท่านพยายามฝึกใจของตนเองทีนี้การฝึกใจั้นงต้องมีสัจจะต้องมีความอดทนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวผู้ที่มีความอดทนในจิตในใจแล้วทำอะไรจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันจะสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาเพราะมีความจริงจังและจริงใจเพราะมีสัจจะเพราะมีขันติคือความอดทน เพรานั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงอะพูดง่ายๆไม่ต้องเอานานข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอจะกาหนดลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอจะบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกในชั่วโมงนี้เนี่ย คือเราเราต้องบังคับทําไมจึงพวกเราจึงต้องบังคับบังคับถึงขนาดนั้นพราะพระ t h เจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนเด็กเกิดขึ้นมาใหม่เด็กเกิดขึ้นมาใหม่พ่อแม่ส่งไปโรงเรียนเด็กไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของการเรียนการศึกษาเด็กคนนั้น จะเดินไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือเอาเลยมีน้อยมากแต่โดยมากก็ต้องงองแงเพราะว่าไม่อยากจะเรียนอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่อยากจะอยู่กับเรื่องเรื่องราวที่เคยอยู่มาก่อนทํำยังไงจึงจะมีความสุขสนุกสบายอยากจะทําอย่างนั้นเพราะเด็กไม่เห็นคุณค่าของการเรียนเพราะนั้นในเด็กที่ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนแต่ผู้ใหญ่เห็นคุณค่า ในการเรียนก็บังคับให้เด็กเรียนหนังสือถึงจะร้องห h o ร้องให้ขนาดไหนผู้ใหญ่ก็ต้องบังคับให้เรียนเพราะเรียนจะต้องเกิดประโยชน์แต่เด็กไม่อยากจะเรียนนี่แหละในเรื่องสมาธิของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นการฝึกสมาธิใหม่ๆ เรายังไม่เห็นคุณค่าของสมาธินั้นเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ปล่อยปะละเลยแต่ละวีดแต่ละวันแต่ละเวล่ำเวลาตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้ผมพูดง่ายๆแต่ชาติก่อนเราเระลึกไม่ได้เพราะมเป็นชาติก่อนแต่พระพุทธเจ้าท่านผู้มีญาณทัศนะท่านก็รู้ว่าชาติก่อนก็เหมือนกันกับชาตินี่แต่พอมาถึงชาตินี้เรารู้ รู้แก่ใจว่าเราไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นเมื่อเราได้เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ให้พวกเราใส่ใจทดลองดูซิเอาเข้มงวดกวดขันดูซิว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะในหนึ่งชั่วโมงจะไม่ให้เผลอนี่แหละให้มีสัจจะคือความ ความจริงจังและจริงใจแล้วก็มีคติคือความอดทนทดลองดูต่อมาแล้วเอาพยายามให้ขยับขึ้นไปอีกต่อมาพยายามบังคับให้ขยับขึ้นไปีเมื่อเราเห็นคุณเห็นคุณค่าในการเรียนการศึกษาทีนี้มันไปเองทีนีไม่อยากจะทําใครทาไม่มีเวลามันก็อยากจะทํา พอได้เวลาถ้ามันจะเข้าสู่สมาธิมันจะได้พักผ่อนสมาธินั่นคือการพักผ่อนของจิตใจใจของเราเนี่ยมันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวล่ำเวลาจนหาเวลาพักผ่อนไม่ได้แต่เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะนำจิตเข้ามาพักผ่อนกับสมาธิเมื่อจิตของเรากำหนดจิตใจของเราเป็นสมาธิ เมื่อจิตนิ่งนั่นแหละท่นี่ความสงบมันเป็นขั้นตอนไปเรื่อยเรื่อเรื่องสมาธิคณิกะอุปจาระอั ป, ปนาตามขั้นตอนเราจะมีความสุขในสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสค่ายาวคาดการให้พวกเร า, เาให้นี่ให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาพระพุทธเจ้าอะ นัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าจะเปรียบทเทียบอีกถ้าพวกท่านทั้งหลายทำอย่างนี้เดินไปอย่างนี้นะอีกสักไม่นานนะพวกท่านจะเจอห้องแอร์มีอาหารบริบูรณ์ในห้องแอร์ใ น, ในห้องทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปพักในห้องแอร์สบาย เอันนี้คือท่านคาดการให้พวกเราได้ได้ฟัง่ถ้าทำอย่างนี้จิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วท่านบอกไว้เลยว่านักถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนา จิตใจสงบนั้นคือให้จิตใจพักผ่อนให้จิตใจไม่หิวโหวยจิตใจไม่ปุงฟุ้งซ่านจิตใจไม่พวักพวนแต่พวกเราคิดดูก็แล้วกันถ้าพวกเรามีเรื่องราวที่มากระทบจะเป็นการค่าจะเป็นเรื่องขูข่คนจะเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นใครก็ตามมีเรื่องราวกับกับเรา เราก็ต้องได้คิดกับเรื่องสิ่งเหล่านั้นกับท่านเหล่านั้นกับเรื่องราวเหล่านั้นเรื่องการทํามาค้าขายเหล่านั้นใจของเรามีความทุกข์ขนาดไหนใจของเรามันว้าวุ่นใจของเราปง่มฟุ้งซ่านใจของเราหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ใจของเราทุกข์มากสรุปแล้วแต่แตอนนี้ถ้าว่าใจของเรา พยายามยูนเป็นหนึ่งให้อยู่กับกรรมฐานจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจเป็นอันเดียวตัดสลัดออกหมดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้มันมีให้ใจเป็นหนึ่งนี่แหละพวกเราควรจะศึกษาและประพฤติปฏิบัติจะทำยังไงจึงใจจึงจะเป็นหนึ่งอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้จัดสรูที่โคลนต้นโพถ้าจะยกองค์อื่นยกท่านผู้อื่นก็ยังไงยังไงยกพระพุทธเจ้านะเพราะต้นศาสนาต้นพระศาสนาเพราะพระุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคลนต้นโพวันนั้นวันเดือนหกเพน็นนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าดํารงสติเฉพาะหน้าคือไม่คิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้อยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันคำว่าปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดถึงอดีตอดีตมันผ่านมาแล้ว มันดีมันชั่วมันเป็นผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่ถึงไม่ต้องคิดถึงมันให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่แหละมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับเราใจอยู่ในปัจจุบันใจที่มีคุณค่าถ้ามันจะดีมันก็ต้องผ่านปัจจุบันไปก่อนถ้ารทำดีในปัจจุบันแล้วอนาคตมันก็ต้องดีถ้าว่าปัจจุบันไม่ดีอนาคตมันค็ไม่ดี เพนั้นใจในปัจจุบันกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในปัจจุบันไม่ต้องคิดไปทางอื่นไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่องค์หลวงปู่มั่นท่านกําชับให้อีกว่ากําหนด กรรมาฐานเฉยๆมันยังมีช่องว่างทำให้จิตใจของเราเล็ดลอดออกไปได้ง่ายเพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธให้ภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแต่การนั่งสมาธิไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงไม่ต้องทำอะไรถ้าเกรงกึงมากทำให้ปวดหัว เออทำให้ปวดสีสษะเพราะนั้นอย่าเพียงแตให้มีสติธรรมดาธรรมดาให้มีความรู้สึกธรรมดาแต่เพียงให้มีสติให้เหนียวแน่นให้มั่นคงเท่านั้นละ่ะเพียงพอกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐาน อันนี้คือผู้ฝึกใหม่ที่พูดให้ฟังนี่คือผู้ฝึกใหม่แต่ผู้ฝึกเก่าแล้วเมื่อเราภาวนาจิตใจของเราสงบพอสมควรเป็นพื้นฐานอย่าทำให้จิตใจสงบเพียงแค่นั้นมันไม่ไปไหนนะจะให้มันสงบนิ่งซะก่อนจึงจะพิจารณาอันนั้นเป็นความคิดผิดไปแล้วพอที่จะพิจารณาก็นำมาพิจารณา ถึงใจไม่สงบเราก็พิจารณาอย่างพวกเราเดินไปบิทธบาทอย่างนี้ใจของเราไม่สงบแต่เราไปเห็นพวกสัตว์ตายในถนนอย่างนี้เราก็น้อมมาหาตัวเองว่าอืออีกสักวั น, นไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ว่าสัตว์ใหญ่ไม่ว่าใครพร้อมที่จะตายทับถมแผ่นดินได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าแผ่นดินไหวเออหรือบอกไฟไหม้หรืออะไรก็ตาม โลกก็ น, นี้มีต่างเยอะแยะฟ้าผ่าพายุอย่าง น, น้ถ้าเราตายไปเราเป็นยังไงไม่มีใครเก็บใครเพราะมันมากเราก็ต้องนอนตายทับโถมแผ่นดินนี่แหละชีวิตของเราของเขาเหมือนกันไม่แพ้กันอันนี้เมื่อเห็นสร้างศพและเห็นสัตว์ตายแล้วก็น้อมมาหาตัวของเราอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วนะนี่จิตใจเป็นวิปัสสนาแล้ว คล้ายๆว่าใช้ปัญญาพิจารณานไม่ไว้ใจในร่างกายของตนเองร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนทับถมแผ่นดินถ้าเราไม่มีใครเก็บซากศพถ้าว่ามีใครเก็บซากศพก็จะต้องเอาไปเผาในเมนหรือเอาไปฝังในสุสานแต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละร่างกายของเราเนี่ถึงจะอยู่ไปนานขนาดไหนก็เถอะ ต้องมีจุดจบสักวันหนึ่งอันนี้แหละในเมื่อเรานั่งสมาธิใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วให้พิจารณาอย่างนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำให้พระใหม่ทีผู้บวชใหม่ให้พิจารณากรรมฐานห้าให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้าคือคือเกสาคือผมโลมาขนนัขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง ให้กรรมฐานห้าแก่พระใหม่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานห้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่ามันหลงเนี่ยมันหลงร่างกายมนุษย์ชาติทั้งหลายหลงร่างกายพปอยนั้นให้รู้เท่า ร, รู้ทันร่างกายร่างกายนี่นะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจะปนปือขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหนนุถนอมดีขนาดไหนให้อาหารการบริโภคดีขนาดไหน ฉล้มด้วยน้ำอบน้ำหอมขนาดไหนประดับตกแต่งสวยงามขนาดไหนให้ผ้าหนุ่งหอมดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งจะต้องแก่อีกสักวันหนึ่งจะต้องเก็บอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายในอนาคตเพราะนั้นอย่าลุ่มหลงมัวเมาอย่าให้ความสาคัญจนเกินไปนะใจนะฮะ คือสอนใจคุอสวนสอนนามธรรมคือตัวผู้รู้ที่ผมได้ยกเบื้องต้นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าหลักของ พ, พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านยกประเด็นใจนี่เป็นใหญ่ในร่างกายของเราเนี่คือใจใจนี่เป็นผู้ดูแลร่างกายเพราะนั้นใจของเราอย่าหลงร่างกายจนเกินไปอย่าให้ความสําคัญในร่างกายจนเกินไป ก็ให้พอเหมาะแต่ถ้าเราให้ความสาคัญใจให้ความสาคัญกับร่างกายมากเกินไปใจของเราจะเป็นทุกข์เขามาด่ามาว่ามาอะไรให้ร่างกายใจของเราจะเป็นทุกข์เพอเพ้อได้ทำบาป ท, ทำกรรมไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงร่างกายจนเกินไปร่างกายนี่ยถึงยังไงยังไงมีที่สิ้นสุดอีกสักวัน ข้างหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราใช้แนวความคิดอย่างนี้นะเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วนามาพิจารณามาพิจารณาร่างกายพิจารณาในเมื่อร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดถือว่าวัดศาลาหลังนี้เป็นของเราเวัดเป็นของเราพระเนนเป็นของเราศรัท ธ, ธาญาติโยมเป็นของเรา จะตุปจัจไทยธรรมเป็นของเราจะถืออย่างนั้นได้ไหมให้ถามตัวเองให้ถามใจตัวเองขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราเราจะมายึดว่าเป็นของเรามันไม่ถูกนะใจนะอันนี้คือเราพูดเป็นภาษาใจให้ทำใจให้ทาความเข้าใจกับใจตนเองแต่ถ้าว่าโลกสมมุติ เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกโลกสมมติเราก็ต้องปฏิบัติดูแลบริหารจัดการอย่างไรเราก็บริหารให้ถูกต้องแต่ว่าเมื่อเราบริหารจัดการแล้วส่วนลึกของใจเราต้องมาสอนตัวเองนี่แหละอันนี้แปลว่าถึงจะมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีที่หลบมีที่ซ่อน มีที่วางตัวเพราะเราได้พิจารณาไว้แล้วอันนี้คือหลักใจของเรามีหลักอาหารกายของเราก็มีอาหารใจเพราะเราก็มีให้อาหารแก่ใจใจมีหลักยึดแล้วใจของเราก็มีความสุขรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทางหลบทางหลีกไม่แบกที่เรียบอ่ะ แต่ถ้าเราไม่มีไม่ได้ศึกษาไม่ได้นำทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นเราแบกเต็มที่พอแบกแล้วเกิด น, นั่นผลที่สุดก็ไม่มีอะไรแบกของว่างเปล่าเพราะเหตุอะไรเพราะมันมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะว่าแบกได้อะไรมันจะต้องทิ้งทั้งหมดนี่แหละให้พวกเราศึกษาธรรมะ เ้าสู่จิตใจถ้าพวกเราศึกษารู้ทั้งคดีโลกรู้ทั้งคดีธรรมเราจะรู้จักโรคเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับโรค ก, การเป็นอยู่แล้วเราปฏิบัติอย่างไงกับใจของเราจึงจะไม่ทุกข์จึงจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นต่อ มันมีเรื่องเกิดขึ้นมันหนักขนาดไหนเราก็รู้จักมันเบายังไงเราก็รู้จักเพราะเหตุไรเพราะว่าใจของเรามีธรรมะเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนพะลูกพะหลานทุกองนะมาศึกษาธรรมะให้รู้จักอาหารใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าให้ขาดตกป ก, ปกพ่องเราต้องส่ะงแสวงหาโดยความมันขยันอดทนของเรา ่าไปปล่อยปละละเลยสิ่งไหนที่จะเป็นหนทางแห่งทรัพย์สมบัติเราก็ทำสิ่งไหนจะเป็นหนทางแห่งความจิบหายอบายยมุขทางหลายเราอย่าทำเราอย่าประกอบถ้าทำไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์เข้ามาสู่ตัวของเราเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีคดีโลกเราก็พยายามแยกแยะดูให้ดีะจะให้ขาดตกบกพร่อง แต่พร้อมกันก็ให้ดูอาหารใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักการวางตัวรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่ามโนปุพังกามาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้นั่นแหะความสงบ ผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการปฏิบัติทำอย่างไรก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปนั่งภาวนาในคืนตัตรู้ธรรมวันเดือนหกเพนท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกอ่ะให้พวกเรานั่งดูสิกําหนดลมด้วยเมื่อจิตใจของเราเข้าความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะ เกิดฌานเกิดญาณทัศนะระลึกชาติโหนหลังได้พระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราอย่าคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกในหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพายพิสูจน์นนั้ท่านพิสูจน์อย่างไรพระพุทธเจ้พาพยาพยพิสูจน์ว่านั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งจากนั้นก็เมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะน้อมจิตที่เกิดฌานานั้นระลึกชาติโหนหลัง ปุเพในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้นี่แหละเราจะรู้ได้โดยตนเองเมื่อจิตสงบทำจิตใจให้สงบแล้วจะแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันแต่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจใจมากกว่าร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่ใจนั้นมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามีสมาธิเราจะมองเห็นใจของตนเอง แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นไม่รู้มันเป็นอะไรคิดไปเลยแต่เมื่อเรามีสมาธิแล้วเราจะมองเห็นตัวเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะฝึกสมาธิแต่การฝึกสมาธินั้นมันจะสมักใจเลยทำเอาเลยมันยากก็อย่างที่ว่าเด็กนักเรียนที่จะเรียนหนังสือนะั้นต้องบังคับ แต่เมื่อเขาเห็นคุณค่าในการเรียนการศึกษาแล้วบอกกลั้งให้อยู่ก็ไม่อยู่เลยเอออยากไปอยาไปเรียนนะวันนี้มีทุเลานะเออเด็กร้องห่มร้องให้กลัวจะเรียนไม่ทันเขานี่แหละนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อเรารู้คุณค่าของสมาธิแล้วสมาธิมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเราจะหยุดไม่ได้พออยู่เผลออยู่ตามลําพังนะั้นะนะจิตใจจะวิ่งเข้าสมาธิทันที กำหนดใจของตัวเองทันทีพิจารณาวิปัฒนาทันทีแยกแยะร่างกายสังขารตัวตนทันทีร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนะใจเนอะอย่าหลงนะอย่ามัวเมาจนเกินไปนะรู้จักปล่อยวางนะใครถ้ามารู้เท่ารู้ทันในตัวของเราอยู่ตลอดถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าเราให้อาหารทางใจของเราอาหารทางกายของเราเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องอาหารทางใจเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ การเป็นอยู่ของเราก็สงบพร่มเย็นเป็นสุข เ, เมื่อถึงคราวเท่าแก่ชราจิตใจของเราก็จะไม่ว้าเหว่อ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะเหตุใดเพราะเราได้คิดไว้แล้วเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะอยู่กับเราตราบเท่าชลาฮะอยู่กับพวกเราตราบเท่าชลาชลามาแล้วก็มีหลักยึดทางจิตใจ แต่เราไม่มีธรรมะด้านจิตใจไม่มีหลักยึดนะทางด้านจิตใจพอเท่าแก่ชราถึงจะมั่งมีสีสุขร่ํารวยเรียนสูงขนาดไหนก็ถ้าไม่มีธรรมะในะจิตใจจิตใจจะว้าเหวนะิะคิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นว่าเขาไม่มาใกล้เราเออปล่อยให้เราเป่าเปียวเดียวดายมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วคือว้าเหว น, นั่นเองอืแต่ถ้าเรามีจิตใจเรามีหลักยึดทางจิตใจเอ้ย ถ้าคนมามีจะมากวนเท่านั้นเองมาลกวนถ้าเราอยู่ตามลําพังเนี่ยเรามีความสุขกว่าอ่ ะ, อะเพราะจิตใจของเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านสมาธิเนี่ยเป็นประโยชน์มากสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจนถึงวาระสุดท้ายวางใจยังไงใจจะขาดนะจะยึดอะไรจะทํำยังไงเมื่อใจจะขาดเมื่อใจจะขาดเราก็วิ่งเข้ามา ดูเข้ามาดูใจของตนเองเอจิตใจเป็นสมาธิดูที่ใจของเราอาสติมีชติสัมปชัญญะที่ใจของเราไม่ต้องคิดถึงใครอื่นทั้งหมดถึงจะคิดใครอื่นก็เท่านั้นอคิดเพื่อหมอเอใครหมอที่ไหนที่มีอายุร้อยปีพันปีมีไหมพ่อแม่ของเราเป็นยังไงไม่มีที่พึ่งทั้งหมดมันต้องอัตหิอัตโนนาโถแล้วเฉย ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสียาคนอื่น ใ, นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเพราะนั้นถ้าเรามีธรรมะในจิตใจแล้วเราพึ่งธรรมะเราพึ่งความรู้เราพึ่งธรรมะในจิตใจของเราเนี่ยแหละเมื่อเรามีธรรมะพึ่งจิตใจแล้วใจของเราจะเป็นแน่นหนามัน่นคงเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าข้าไม่ทําความชั่วแล้วความชั่วมันจะมาเข้ามาได้อย่างไรใครจะไปตกนรกวะถ้าข้าทํากรรมดีแล้วข้าต้องไปในทางที่ดีเพราะข้าไม่ได้ทําสิ่งชั่วช้าเสียหายอะไรใจของเราคิดไปในทางที่ดีใจของเรากดเชื่อมั่นโดดเด่นอาจฐานใน จ, ใจิตใจอคนมีธรรมเป็นอย่างนั้นนถ้าคนไม่มีธรรมอย่างว่านะ ถึงคราวมาแล้วโอคุณจะตายแล้วนะ่าเขาให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างเขาให้กราบให้ไหว้แล้วก็ทำหมดเขาให้กินขี้หมาก็กินเางั้นกันเพราะอะไรเพราะกลัวตายแต่ตามจริงคนมีธรรมแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้ น, นะนการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุนะติอต่อนี้ไปนั่งสมาธินะสักชั่ว ร, ระยะนะีค่อยเลิกกันนที่นี่นะ นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั้นแนะหะก่อนที่จะนั่งปนมมือขึ้นระหว่างอกสก่อนนะไหวครูสก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็บริกรรมกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะปุริเริ่มนะแต่ผู้ที่ ฝึกมาแล้วก็พิจารณาร่างกายร่างกายคือกระดูกศีรษะไล่กระดูกของตัวเองเสิร่างกายมีอะไรบ้างในร่างกายกระดูกกี่ท่อนจนถึงฝ่าเท้ากระดูกทั้งหมดเป็นโครงสร้างของร่างกายให้พิจารณาอันนี้เราวิปัจฉนาการกำหนดดูร่างกายของตนเองวิปัจฉนากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เลยสมถะหรือ ว, ว่าสมาธิ เพราะนั้นพวกเรานั่งสมาธิจะก่อนกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐานแล้วก็กำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปนะ